สัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารสเปสตตาอาหารฤทธิกาสัพพสัตว์ทั้งหลายมวลสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นอยู่ด้วยอาหารอันนี้ก็คือพวกเราตั้งแต่เกิดมาก็เลี้ยงกันมาก็เป็นอยู่ด้วยอาหารแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เน้นหนักลงไปอีกว่า อย่าไปทำความชั่วเสียหายนาเหตูปิกระยะปาปังไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินอันนี้ก็เป็นคำพระบาลีอีกอันนี้ก็คือถึงเราจะเลี้ยงร่างกายอ้วนหมีพีมันขนาดไหนร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอมันเลี้ยงไม่เชื่อง ร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนถูกสุขลักษณะขนาดไหนอาหารเป็นเยี่ยมขนาดไหนอาหารทุกคําที่จะกลืนเข้าไปในท้องถึงจะตรวจเช็คมีวิตามินโปรตีนขนาดไหนหยุกยาถึงจะแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหน การพักผ่อนนอนบริหารร่างกายดีขนาดไหนร่างกายนั่นก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเป็นอื่นยังไงถึงข้าวแก่มันก็แก่แก่แก่แ ก, แก่ถึงข้าวเจ็บมันก็ต้องเจ็บถึงข้าวหมดอายุมันก็ต้องตายสรุปแล้วก็คือไม่มีใครที่จะหลีกหนีหนีพ้นไปได้ แต่เราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะรับทราบหรือไม่รับทราบมันก็เป็นไปอย่างนั้นบางคนก็เลยถึงจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ควรจะรู้ดีกว่าไม่ควรจะสนใจดีกว่ารึออยังไงมันก็จะมีอยงั้นอยู่แล้วอันนี้ถ้ากว่าถ้าพิจารณาตามหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านไวน้เสียหลัก เพราะไม่ได้เตรียมพร้อมอยู่แบบไม่ได้สนใจแต่พอมาถึงจุดนั้นเข้าไปรับไม่ได้กระวนกระวายกระเสือกกระสนผลที่สุดก็หมดไปหมดไปแบบไม่เป็นท่าขาดสติขาดความกล้าหาญแต่ถ้าว่าผู้ที่ เตรียมพร้อมไว้ก่อนถึงขราวนั้นมาก็ได้คิดไว้ก่อนแนละ้วไม่สะทกไม่สะทานไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้นได้อันนี้คือถ้าว่าพวกพวกเราเตรียมพร้อมนะ่มันจะดีกว่าที่ไม่เตรียมพร้อมสรุปแล้วแต่วพวกเราท่านทั้งหลายพวกเรานึกหลับตาดูก็แล้วกันนึกย้อนหลังดู พวกเราเลี้ยงแต่อาหารกายอาหารใจไม่ค่อยได้สนใจกันอาหารกายตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่พวกเราเกิดมาทานอาหารอาบน้ำพักผ่อนแต่ละวันจนถึงปูนนี่แหละขนาดนี่แหละแปลว่าอาหารกายให้พวกเราให้ความสำคัญอย่างมาก แต่อาหารใจนั้นไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจสรุปแล้วก็คือขาดการศึกษาขาดการศึกษาในเรื่องอาให้อาหารแก่ใจนั้นให้อย่างไรไม่ได้ศึกษาและก็ไม่สนใจที่จะศึกษาเพราะฉะนั้นไม่สนใจที่จะศึกษาและก็ไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นจึงขาดอาหารทางด้านจิตใจอย่างมากในมวลมนุษย์ชาติ มีตั้งแต่เลี้ยงอาหารทางกายดูแลอาหารกายมากแต่ส่วนอาหารใจนั้นขาดการดูแลอย่างมากตามไม่จริงอาหารกายกับอาหารใจมันเป็นของคู่กันไปด้วยกันพราะพระพุทธเจ้าท่านเน้นอาหารใจมากกว่าอาหารกายถ้าอาหารใจดีแล้วใจได้รับการอบรมดีแล้วใจ อิ่มด้วยหลักเหตุผลแล้วร่างกายก็ประคับประคองไปได้แต่ท้าว่าพวกเราเลี้ยงแต่ร่างกายทะนุถนอมแต่ร่างกายแต่จิตใจเราไม่ได้สนใจท้าว่าเราไม่ได้สนใจทางจิตใจในเมื่อร่างกายสมบูรณ์ขนาดไหนใจของเราก็ยัง เป็นทุกข์เป็นร้อนวิตกกังวลว่าวีอ้างว้างเงียบเงาซืมเศร้าเพราะเหตุอะไรเพราะอาหารไกมันขาดเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาอาหารกายอาหารใจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอาหารร่างกายก็คืออย่าให้ขาดตกบกพร่องเมื่อเป็นกระว اة แต่สำหรับพระสงฆ์นั้นขาดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรอภิชตาเป็นผู้มักน้อย สรรทุติยคถาสรรทุตีตามมีตามเกิดมีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยมีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากอันนี้เป็นเรื่องของพระเพราะไม่มีวิธเรื่องที่ตกกังวลรับผิดชอบลูกหลานครอบครัวอยู่ตามลําพังมีอะไรก็ใช้ตามอัตภาพอันนี้แปลว่าอยู่อย่างพระไปอย่างพระอยู่อย่างพระเป็นอยู่อย่างพระ จะสะดวกสบายไปอีกอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้อย่างนั้นสอนให้เป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดยสาหรับพระแต่สําหรับคราวาสนั้นพระพุทธองค์สัรนให้อุทฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความบันความขยันอรคะสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยการรักษารักษาหน้าที่การงานรักษายศถาบรรดาศักดิ์รักษาเกียรติยศเกียรติยศชื่อเสียงของตอนเอง รักษาทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหาสาะแสวงหามาด้วยความยากลําบากรักษาเอาไว้เพื่อให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรับผิดชอบตัวของเรายิ่งกว่าตัวของเราเพราะฉะนั้นให้รักษารักคาสัมปท า, านกัญยาณมิตรให้เลือกคบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคบนักเกลงหัวไม้ที่จะเป็นอันตรายต่อตนเอง ถ้าคบถ้าคบคนไม่ดีทีแรกเราก็เห็นว่าเ อ, อเขาไม่ดีแต่พอไปคบเข้าไปนานๆความไม่ดีของเขานี่ยกลับจะมาเป็นของตัวเองได้ง่ายเพราะกิเลสของเราชอบใฝ่ไปในทางต่ําทางไหนเป็นทางต่ํามันจะชอบไปทางนั้นผลที่สุดก็คบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละแต่คบคนเลวก็เป็นคนเลวถ้าคบคนกินเหล้าต่อไปเราก็เป็น คนกินเหล้าถ้าคบคนขี่โกงต่อไปเราก็เป็นคนโกงเขาได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นการครบค้าสมาคมกับผู้คนให้ระวังกา ร, ระยะนานมิตรตาแต่จะเราจะเลือกคบคนดีปลอดร้อยเปอร์เซ็นตะก่อนยังค่อยพบอันนั้นก็าคงจะไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์ชาติของเรามันมีดีอันหนึ่งมีเลวอันหนึ่งมีชั่วทางหนึ่งก็มีดีทางหนึ่งขลุน คลนปนเปกันแต่เราให้เลือกครบไงว่าเลือกครบเป็นยังไงก็เลือกคร บ, ร ก, ครบก็ต้องใช้ปัญญาในการเลือกคนนี้เราควรครบขนาดไหนคนนั้นเขาเราควรครบอย่างไรคนนี้เราควรจะครบเขาขนาดไหนอย่างนี้อันนี้แหละกัลยาณมิตรแล้วก็สำมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาไม่คดไม่โกงไม่ป้นไม่จีเอ่ เขามาเลี้ยงชีวิตเราถ้าว่าเราไปโคดไปโกงไปป้นไปจี้ไปเบียดบังเอาชัพสมบัติเขามาเลี้ยงเราไม่ถูกเขาก็เสียใจถ้ามาเขามาโคดมาโกงเราเราก็เสียใจเหมือนกันเพราะนัพระพุทธเจ้าที่ท่านเว่าทิฏฐธรรมิจตรประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนครวัตญาติโยมให้รู้จักในการบริหารจัด ก, การตนเอง อย่าให้ออกนอกลู่นอกทางแต่ถึงยังไงก็ตามสรุปลงมาแล้วคือถึงจะมีเงินคำทรัพสมบัติมากมายขนาดไหนร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าว่าขาดการดูแลสุขภาพกายเงินเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะเหตุไรเพราะตัวเองเป็นโรคต่างๆเอามาพึกเอามาพาดร้อยแปดพันอย่าง ที่ที่เราขาดการดูแลรักษ า, าจากนั้นเมื่อสุขภาพเราไม่ไม่ดีเงินร้อยล้านพันล้านเงินเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนตัวเองเขาเ้าไปนอนตาผิบๆพิๆอยู่โรงพยาบาลอย่างนั้นกระดุกกระดิ์ก็ไม่ได้คนนี้นะเข า, ามีเงินหมื่นล้านนะเราต้องการไหมถึงยังไงมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ไมีแต่ลืมตาอยู่ อันนี้แหละการดูแลสุขภาพกายก็จําเป็นสําคัญการดูแลสุขภาพกายยังไงเมื่อมีเงินคําทรัพย์สมบัติดูแลสุขภาพกายไปหาหมอท้าหมอกายภาพบําบัดออกกําลังกายเปลี่ยนอริยาบทพักผ่อนตอนนี้ก็จําเป็นสําหรับพวกเราต้องการความสุขในการเป็นอยู่ดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพจิตอันนี้ะจะยิ่งจําเป็นสําคัญแต่โดยมาก คนยุค น, นี้สมัยนี้ที่หลวงพ่อมองมองดูแล้วมีแต่การสอดแสวงหาทรัพย์และกับการดูแลสุขภาพกายบ้างในบางคนบางคนก็ปล่อยปล่อยปลาละเลยแต่การดูแลสุขภาพจิตเนี่ยเกือบจะว่าทอกวงการไม่ค่อยดูแลสุขภาพจิตกันมีเรื่องอะไรขึ้นมากับเค่ปุง้งฟุ้งจ้านอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ได้คิดเอาสมาธิเข้ามาจับ การดูแลสุขภาพจิตนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะดียิ่งกว่าการภาวนายึดหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแต่พวกเรานํำทำคําสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติคือนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งทําใจให้เป็นหนึ่งแต่ทำใจไม่ให้ปุงฝุ่งซ่านนะันะ่นเองคือการดูแลสุขภาพจิตหรือให้อาหารจิตหรือให้อาหารใจ ว่าเราทำได้อย่างนี้นั่นแหละไปด้วยกันทั้งสามถ้าว่าคนขาดดูแลขาดการดูแลสุขภาพจิตเป็นอย่างไรเนี่ยคนปุ่งฟุ้งซ่านมากๆคิดมา ก, มากเๆเผลอเข้าไปกนอนไม่หลับตาแดงเข้าไปผลที่สุดก็เป็นโรคประสาทอ่อนๆต่อไปก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆผลที่สุดก็เป็นบ้าเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญามหาโพบนะ ร่างกายจะแข็งแรงขนาดไหนเงินคำทรัพย์สมบัติมากขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนคนนั้นอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะขาดการดูแลสุขภาพใจสุขภาพจิตเพราะนั้นทั้งสามอย่างพวกเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องจนเกินไปต้องช่วยๆกันดูพิจารณาปรับปรุงการเป็นอยู่ของเราเราจะประสบความสงบรมเย็นเป็นจุกได้เพราะการดูแลสุขภาพของเรา แต่รวยมากคนเราเนะี่ยรวยมากจะดูแลสุขภาพกายอย่างเรื่องาการสดสแวงหาทรัพย์มากกว่าการดูแลดูแลสุขภาพจิตได้อีกอย่างก็คงขาดการศึกษาหรือว่าขาดการใส่ใจขาดการศึกษาไม่รู้จะรักษาอย่างไง ร, รักษาสุขภาพจิตพอฟังดูแลจิตไม่จิตวิญญาณนมันมองไม่เห็นตัวมันมีแต่ความนึกคิด คิดอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามองไม่เห็นตัวไม่เป็นตัวตนผลที่สุดเราก็ปล่อยไปอีกอย่างเก่าแต่ถ้าว่าเราให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพจิตอย่างที่พวกเราได้ยินหลวงพ่อพูดวันนี้การดูแลสุขภาพจิตนะทำจิตให้เป็นหนึ่งนะก่อนหลับก่อนนอนให้นั่งภาวนาะสัก5านาทีสิบนาที กำหนดพุดโทโธพุโทโธให้สติอยู่กับตนเองอย่าให้มันคิดบังคับให้มันอยู่กับตนเองบอกว่าเออทั้งวันเนี่เราปล่อยปะละละเลยทั้งด้านจิตใจมามากต่อมากแล้วเราจะอยู่กับกรรมฐานและอยู่อาหารให้อาหารแก่ใจสักสิบนาทีพุโทโธพุโทโธอหรืหอกําหนดสูบลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออ ก, ออกมีสติในลมหายใจเข้าออก เพียงแค่นี้จะเป็นการดูแลสุขภาพจิตแล้วคือให้สติอยู่กับตนเองต่อไปมากกว่านั้นถ้าเราได้ศึกษาดีแล้วนั่นแหละเราจะเห็นคุณค่าการดูแลสุขภาพจิตในเมื่อดูแลสุขภาพจิตดีแล้วทีนี้จิตของเราแก่งมีอะไรเข้ามากระทบจะเป็นโลกกระทำสาขาไหนบ้าในเมื่อมีลาบขึ้นมาในเมื่อเสื่อมลาบ เราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเรามัรู้อยู่แล้วเกิดมาในโลกไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ว่าแต่เสื่อมราษฎร์ถึงตายคนเราไม่เห็นจะอยู่คําฟ้าได้เพียงแต่เสื่อมราษเท่านั้นไม่เป็นไรแต่เราพยายามทําให้ดีที่สุดถ้าสุดวิสัยของเราแล้วก็จะทํำยังไงได้เราทําดีที่สุดแล้วมันขวางอยู่ที่ใจ เ, เมื่อเสื่อมยศก็เหมือนกันแต่ก่อนได้ยศขึ้นมาเขาก็ยกย่องเชิดชูบูชาลืมตัว แต่พอก็ถอดยศออกมาใช่ไห อ, อเสียอกเสียใจจะเป็นบ้าเป็นบอเพราะว่าขาดการพิจารณาขาดอาหารทางจิตใจแต่ถ้าว่าคนได้ฝึกทางจิตใจไว้แล้วถึงจะถอดยศมาก็ะท้อนก็ทอดไปนะถอดยศดแต่กับร่างกายของเรามันถึงจากวันหนึ่งมันก็จะองตายอยู่แล้วเ อ, อไม่เห็นจะมีสําคัญอะไรยศมันก็เพียงแต่ว่าอยู่ในชุมชนและสังคมนะเท่านั้น ถอดยศเนส่ยัเสริญก็เหมือนไกน่สุขนาหาลด้ที่ไหนในสุขนะจะหาได้ที่ไหนหาได้ที่ใจไม่มีใครที่เอาความสุขให้แก่เราได้ยิ่งกว่าตัวของเราเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไปโสแสวงหาความสุขของพระองค์เองอยู่ในป่าถึง6ปีหาความสุขให้แก่ใจฝึกขัดทางด้านจิตใจบรมสุขก็คือออกมาจากใจใจเป็นสุขแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขหมด หาใจเป็นทุกข์แล้วจะอยู่ในห้องแอร์ก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่นั่นแหะทุกข์อยู่นั้นพวกเราคิดดูก็แล้วกันเวลามีทุกข์จะเปิดแอร์เย็นขนาดไหนก็เย็นเนี่มันก็ร้อนอยู่ในใจกลางวันใจ เ, เรามีความสุขแล้วถึงจะร้อนข้างนอกมันก็พออยู่อันนี้คือความร้อนทั่ ว, วไปเราก็รู้พอรู้ได้เร้นเสียแต่ร้อนผิดปกติอันนั้นก็ผิดพิสัยที่คนจะอยู่ได้ร้อนมากมันก็ตายเหมือนกันหนาวมากก็ตายเหมือนกัน แต่ว่าคําว่านี่ร้อนคํานี้คือร้อนทั่วทไปเนี่ยเราก็อยู่ได้แต่ถ้าว่าทุกใจเนี่ยร้อนใจเนี่ยโอ้หาหาที่อยู่ลําบากนะเนี่ยทุกหนี่ทุกสินทุกโรค ก, กระทำเข้ามาหลุดเสื่อมลาภเสื่อมยศคนนินทานแล้วก็มีทุกในการพัดพาเนี่ยพ่อแม่ปูย่ย่าตายายคนที่รักของเราพัดพาไปหรือว่าสิ่งที่เราต้องการ เป็นที่พอใจของเราพัดพากแต่รถ้ายบังเงินงคำศัพย์สมบัติหายบังในถ้าเราไม่มีทาอยู่ในใจเราไม่ได้ฝึกทางจิตใจเอาไว้ไปเป๋เมันกันนะนเเสียหลักเสียหลักได้ไง่ายๆถ้าเรารู้จักปล่อยวางทางด้านจิตใจแล้วนั่นลหละแบ่งรับแบ่งสู้ถึงจะหนักมาอย่างไงเราก็พอมีหนทางที่จะออกทางด้านจิตใจของเราเราจะไม่เสียหลักเพราะนั้นการฝึก ทางด้านจิตใจมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทนะอุบาสกอุบาสิกาพิจูตสมัมเนนพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามในการฝึกจิตตภาวนาการให้อาหารทางด้านจิตใจเป็นจุดที่จําเป็นและสำคัญอย่างมากแต่เดี๋ยวนี้พวกเราทุ่มเทกันมีแต่ให้อาหารกาย อ, อให้อาหารกายมากกว่าการให้อาหารใจ ่วันนี้หลวงพ่อได้แนะแนวเป็นข้อคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย sí. กายกับใจอาศัยกันอยู่เป็นสองอย่างในร่างกายของเราคือรูปธรรมและนามธรร ม, มพระพุทธเจ้าสนใจเรื่องนามธรรมามากกว่ารูปธรรมพวกเราท่านทั้งหลายโลกทั้งโลกเลย <S 1> <S 1> เขาสนใจเรื่องรูปธรรมมากกว่านามธรรมเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าประทคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสนใจนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เระนั้นพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามดูซิดูสนใจเรื่องนามธรรมาดูบ้างซิเป็นยังไงนะถ้าว่าพวกเราสนใจนามธรรมาอย่างที่ตลวงพ่อได้กล่าวพวกเราก็จะประสบความสําเร็จเย็นอกเย็นใจได้ในระดับหนึ่งจากนั้นก็ศึกษาไปเรื่อยธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วมีแต่ความรมเย็นเป็นสุข ไม่ทุกไม่ร้อนอย่างพระพุทธเจ้าพระหานสาวกที่ท่านมีธรรมะในจิตใจแล้วอตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร